กราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรุบรายังพระอาจารย์สุรินพันเตเพื่อนสัตตมิกเจริญพรมายังแม่ชีแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาทุกท่านอ่ะก็นั่งกันนาำปกตินะเออนับวันตั้งแต่ที่เราเริ่มมาทำวัดที่นี่นะเพื่อที่ถวายเป็นพระราชกุศล นะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่ยี่สิบหรือยี่บอดแล้วละเนาะก็เหลือเวลาอีกสักสิบวันเมื่อเช้าก็ยังได้คุยกับพระอาจารย์สุรินว่าเออแล้วเราจะไปสิ้นสุดวันไหนนะท่านก็บอกน่าจะเป็นวันที่สนะิบสี่เนาะเป็นวันที่เรียกว่าวันพระพดีนะวันร้อยกระทงมาดีแหละเนาะก็เหลือเวลาอีกสิบวันเท่านั้นเองนะที่เราจะได้มาร่วมกัน ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ได้มาฟังมาสวดอภิธรรมนะร่วมกันซึ่งโอกาสอย่างเี้ยอาจมาว่ามีครั้งเดียวในชีวิตนะครั้งเดียวในชีวิตจริงๆอะ่ะการที่เราได้มาร่วมกันประกอบกิจกรรมอันนี้นะก็ถือว่าเป็นเป็นบุญนะทำให้เรามีความสุขนะที่เราได้ทำให้กับผู้ที่เป็นที่รักของเรา ก็คือองค์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนาะและในเวลาเดียวกันเราก็ได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้นะธรรมะด้วยนะด้วยการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์จากพระภิกษุนะจริงๆอาตมาว่าน่าจะให้โอกาสไม่ชีบ้างนะไม่ฉีเนี่ยอาตมาว่าก็น่าจะมาเทศได้บ้างนะก็เดี๋ยวลองพิจารณากันดูก็แล้วกันเนาะ ทีนี้เท่าที่เราไดา้มาสวดอภิธรรมเนี่ยอาตมาก็สงสัยว่าอภิธรรมเนี่ยมันคืออะไรแตนะ่ที่เราสวดกันทุกวันทุกวันเนี่ยนะแปลออกมาบางทีมันก็ยังไม่รู้เรื่องนะใช่ไหมก็เลยมีอยู่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยธรรมาก็ลองไปเปิดพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเนะ่เรื่องอภิธรรมนี่แหละ ว, ว่าทำไมมันต้องอภิธรรมเจ็ดคพีเออนะ ก็เลยไปดูอ๋อเจ็ดคำพีมันก็เจ็ดหัวเรื่องเนะี่ยเจ็ดหมวดเนะี่ยแล้วแต่ละหมวดเนี่ยน่ะเขาก็อธิบายอภิธรรมในจริงจริงมันคือเรื่องในจิตในใจเรานั่นแหละเรื่องกายเรื่องใจเรานั่นแหละแต่มันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยนะแล้วคนที่เจริญสติคนที่ดูกายดูใจตลอดเวลาเนี่ยก็เรียนอภิธรรมโดยเราไม่รู้ตัวนะ่นะน่ะ อย่างในหมวดแรกเนี่ยภาษสังคีณีเนี่ยแปลออกมาคือการรวมกลุ่มธรรมะบอกว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัปยากตาธรรมะรธร ร, ม, ร, ร ม, ทมที่เป็นกุศลและธรรมที่เป็นอกุศลและธรรมที่เป็นกลางกลางเนี่ยแต่กีนนี้เราสวดมนต์เนี่ยนะเรามีความสุขใช่ไหมเนี่ยเป็นกุศลละแต่ถ้าเราคิดไปดีเราหนุดหงิด นะเราง่วงนอนเราเบื่ออะเป็นอกุศลล้เห็นไหมหรือเราก็ไม่ได้ถึงกับสุขแต่ก็ไม่ถึงกับทุกข์นะมันก็เฉยเฉยอยู่อ่ะเนี่ยขนาดที่นั่งฟังตอนเนี้ใจมันก็เฉยเฉยอยู่อ่ะเออมันก็เป็นอภิญากริชน่ะมันก็เป็นกลางกลางนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราสวดมนไปเราก็ย้อนกลับมาดูใจเราอ๋อมันอย่างงี้นี่เองนาะอภิธรรมนี่ เราไปเข้าใจว่าสวดอภิธรรมนี่เพื่ อ, เ, อเรียกว่าอุทิตส่วนกุศลให้กับคนตายนะอันนั้นก็เป็ น, เ ป, นเป็นความเชื่อเป็นบุญกุศล น, นะแต่จริงๆเนี่ยแตมาคิดว่านะอันนี้คิดเองนะจริงเท็จไงไม่รู้นะเพสวนทีคนเป็นฟังนี่ยคนตายจะฟังรู้เรื่องหรอเจไหมคนโบราณเนี่ยแตมาว่าเขาฉลาดนะ คนที่อยู่ในในอาการเศร้าโศกเพราะเสียคนที่เป็นที่รักไปเนี่ยแต่บางทีมันทําจิตทำใจไม่ได้ใช่ไหมความเศร้าโศกเนี่ยมันก็เป็นอกุศลละอกุศลและจิตนะเพราะฉะนั้นเรามาฟังทำมาสวดมนต์ก็ทําให้ใจดีก็เป็นกุศลใช่ไหมเปลี่ยนจากอากุศลเป็นกุศลซะแล้วสุดท้ายเนี่ยนะมันปกติเฉยเฉยอะเป็นอภยกิจนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย มันน่าจะเป็นกุศโลบายของคนโบราณไหมนะที่เขาต้องให้สวดอภิธรรมในงานในงานศพอันนี้เป็นเพีเยง่ตั้งข้อสังเกตนะทีนี้ในบทนี้ก็ยังยังยกตัวอย่างเนาะว่ากุศลเนี่ยกุศลละจิตเนี่ยนะก็คือความยินดีนะมีญาณปัญญาเกิดนะเมื่อมีอารมณ์ทางรูปก็ดีทางเสียงก็ดีทางกลิ่นทางรสนะแล้ว เกิดผัสสะแล้วไม่ฟุ้งซ่านะอย่างนี้ก็บอกไว้เนี่ยนี่ก็คือจิตที่เป็นกุศลนะนี่ก็คือในคำเพียรที่หนึ่งเลยเนาะอันที่สองนะพูดถึงวิพังวิพังนี่คือการแจกการแยก น, นี่ก็เป็นงานอธิบายขันของเราเนี่ยขันห้าเนี่ย มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจริงๆในในหมวดนี้เนี่ยมันมีอายตนะก็มีาธาตุก็มีสติปัฏฐานสี่ก็มีแต่ว่าในที่นี้เขายกตัวอย่างเอาแค่ขันห้านะว่าขันห้าเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะอย่างเราก็ทราบกันดีเนาะรูปก็คือรูปเราเนี่ยรูปร่างกายเราเนี่ยส่วนประกอบที่เป็นกายขึ้นมาถ้าแจกแยก ย่อยออกไปก็มีธาตุสี่เห็นแล้วก็มีอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปเนะวทนาก็รู้อยู่แล้วความรู้สึกสุขทุกข์นาฬิสเฉยๆสัญญาก็คือความจําได้หมายรู้สังขารก็ความคิดปรุงแต่งวิญญาณก็เป็นความรู้แจ้งในอารมณ์แล้วเราก็ยกตัวอย่างนะเช่นรูปปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงนะก็มีรูปในอดีตอนาคตปัจจุบัน อย่างปัจจุบันเนี่ยตอนนี้รูปเราอยู่ปัจจุบันแต่อดีตก็คือมันผ่านมาเมื่อวานผ่านมาปีที่แล้วใช่ไหอันนั้นคคนเก่านะอันนี้คนใหม่แล้วหรือในอนาคตจะยังไม่ตายนะรูปก็เป็นในอนาคตหรืออย่างรูปภายในรูปภายนอกภายในก็คือตัวเราเนี่ยภายนอกก็คือคนอื่นอนะั น, นนี้ก็เป็นรูปเนะรูปที่หยาบรูปที่ละเอียดนะอย่างเช่นลมหายใจเนี่ย เป็นรูปที่ละเอียดแต่ตัวเราเนี่ยเป็นรูปที่อยากนะเนี่ยเขาก็อธิบายนะซึ่งเออเราอ่านไปไปพิจารณาไปเอ้ยมันสะท้อนกลับมาที่ตัวเราหมดเลยนะเพราะฉะนั้นสวดิธรรมเนี่ยถ้าจะให้ได้ประโยชน์เนี่ยเราสะท้อนกลับมาที่กายที่ใจเรานะเหมือนกับการที่เราเจริญสตินั่นเองบทที่สามเมื่อได้พระาธาตุพระธาตุคถา แต่มาก็สงสัยอะไรสงังเคราะห์ไม่สงังเคราะห์อะไรเนี่ยมันเข้ากับสิ่งที่สองเครข้์ได้สิ่งสองข้อคําว่าสองข้อนี่คือของที่มันเข้ากันได้ส่วนไม่สองข้อคือเข้ากันไม่ได้เช่นตากับรูปเนี่ยมันเข้ากันได้นะตากับรูปหูกับอะไรอะ่ะเสียงใช่ไหมจมูกกับอะไรกลิ่นลิ้นก็กับรสใช่ไหมที่เข้ากันไม่ได้คือตากับ เสียงมันเข้ากันไม่ได้ตามันต้องเข้ากับลูกจมูกจะไปเข้ากับรถไม่ได้น่นนี่คือเขาอธิบายลักษณะของอาญัตนะหรืออาจจะเป็นขันก็ได้เพราะนั้นตรงนี้ก็น่าสนใจเป็นคำอธิบายถึงสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับอาญัตนะหรือว่ า, าธาตุขันต่างๆหมวดที่สี่ว่าด้วยบุคคล ตะกี้นี้พูดถึงอาจจะเป็นส่วนหรือขันเป็นส่วนๆทีนี้ก็พูดมาเป็นตัวคนขึ้นมานะก็มันมีการบัญญัติหประเภทนะมีขันธ์บัญญัติก็มีขันห้าใช่ไหมมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอายตนะบัญญัติอายตนะสิบสอก็มีตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิน่นเนี่ยหกสองอันก็เป็น12บนสะนี่ก็เป็นการบัญญัติ แล้วเขาก็ยกตัวอย่างนะมีบุคคลที่พ้นในบางคราวก็คือว่าพ้นเนี่ยคือพ้นกิเลสนะบางบางประเภทเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยอ่ะุชนคนธรรมดาเนี่ยบางครั้งมันก็มีกิเลสบางครั้งก็ไม่มีกิเลสใช่มอย่างเรานั่งอยู่ตอนเนี้ยเออถ้าเราตื่นรู้อยู่มันนี่มีกิเลสแต่ถ้ามันเกิดความอยากขึ้นมาอ่ะมีกิเลสแล้วแต่ผู้พ้นอย่างเด็ดขาดก็คือพระลาหนน นะพ้นนี่คำว่าพ้นนี้คือพ้นกิเลสนะนะกุปปะธโมกุปปาธโมผู้มีธรรมกำเริบได้อย่างเราปฏิบัติเนี่ยเราคิดว่าเอ๊ะเราเข้าใจแล้วนะเราสามารถปฏิบัติเราสามารถที่จะรู้เท่าทานได้นะแต่บางครั้งมันก็เฮ้ยมันก็กำเริบได้นะอย่างเดียวก็เคยมีเล่าให้ฟังว่ามีพระภิกษุจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะมากันเยอะมาก แล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยบรรลุภารัาานแล้วพระเจ้าก็บอกว่าจะพึ่งเข้ามาไปไปพักที่ปชัชชาก่อนแล้วบัเงเอิญวันนั้นเนี่ยก็มีศพศพหนึ่งเป็นศพของผู้หญิงผู้หญิงสาวสวยด้วยแล้วก็เพิ่งตายสดๆเลยสมัยก่อนเนี่ยศพนี่เขาจะเรียกว่าอาจจะไม่ได้ห่อผ้าห่ออะไรกันเพะฉะนั้นก็ยังเป็นของเปื่อยๆเนี่ยเพราะฉะนั้น พิกษุเหล่านั้นเนี่ยก็ได้มาเห็นผู้หญิงนะซึ่งยังสดอยู่นะก็เกิดลาคะขึ้นมาแล้วนะก็เลยรู้ว่าโอ้ตัวเองนี่ไม่ได้เป็นพระละหนันนะยัยงบรรลุไม่ได้บรรลุจริงนะเรียกว่าอันนี้เรียกว่าทำผู้ที่มีธรรมที่กําเริบได้ส่วนผู้ที่มีธรรมที่กําเริบไม่ได้ก็ผ้ารันเนี่ยท่านไม่กาเริบแล้วเด็ดขาดไปแล้วนะอันนี้เขาพยายามอธิบายเนาะหรือยอย่างเช่น ผู้ที่เป็นปุตุชนกับผู้ค้อมโขดเนี่ยเออข้อมโขดมันเป็นไงเราไม่เข้าใจนะคอมโครดก็คือคนที่อยู่ระหว่างปุตุชนกับอริยชนมันอยู่กึ่งกลางเนี่ยถ้าปุตุชนก็คือมันหนาไป่ได้กิเลสเลยนะเออเนี่ยพอพอเราอ่านแล้วเราสงสัยแล้วเราไปค้นคว้าเนี่ยนะเออมันได้ความรู้เพิ่มเติมนะนะอันนี้ก็เป็นใน คำพีหรือว่าในหมดที่สหมวทที่ห้าว่าด้วยพระคาถาวัตถุคำว่าคาถาวัตถุเรื่องนี้เนี่ยหมวดนี้เนี่ยเท่าที่ไปดูนะมันเกิดจากการที่หลังพระพุทธเจ้าปรินิพานไปประมาณสองร้อปีมันก็มีกลุ่มเขาเรียกว่าวัดชีบุตรพวกนี้จะมีความคิดเห็นที่ที่เพี้ยนไปละนะพุทธเจ้าเนี่ยพูดเรื่องบุคคล แล้วบางทีก็พูดเรื่องปรมัาพูดเรื่องสมมุติกับเรื่องความจริงเนี่ยก็เลยตั้งเป็นคำถามคำว่าการถาวัตถุคือการมีการตั้งคำถามในนี้ถ้าเราอ่านแล้วแปลออกมาเนี่ยก็จะบอกว่าอะไรนะเราค้นหาบุคคลไม่ได้ในปรมัตูก็คือการไม่มีตัวมิตินนะ่นะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยนะถ้าถ้าเราดูตัวเราเนี่ยมันแยกเป็นส่วนได้เลยนะ แยกเป็นส่วนตัวเราเนี่ยมันคืออะไรเราบอกหน้าใช่ไหมหน้าก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งมือใช่ไหมก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่เมื่อรวมกันเนี่ยมันเป็นคนแต่คนเนี่ยเมื่อตายเนี่ยมันก็แยกสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติเหมือนเดิมกลับไปสู่เป็นธาตุเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคําว่าปรมัตา์คือความจริงก็เลยบอกว่าบุคคลเนี่ยคำว่าบุคคลเป็นเพียงชื่อเรียกสมมุติคนนั้นคนนี้ นายนั้นนนี้แต่ความเป็นจริงก็คือมันไม่มี น, นี้ก็เป็นในคำภีอันที่ห้าอันที่หนี่พยมกน่ะพยมกนี่หมายถึงว่าธรรมะที่เป็นคู่เขาบอกว่าเมื่อมีธรรมอย่างนี้ก็เป็นอย่างนั้นด้วยเช่นในนี้เขาบอกว่าอะไรนะทำบางเหล่าเป็นกุศลทำเหล่านั้นทั้งหมดมีกุศลเป็นมูลนะตรงนี้หมายถึงว่าอย่างไง ยังยังคนที่จิตใจดีเนี่ยนะแสดงว่าเขาไม่โลภไม่โกรธไม่หลงโลภโกรธหลงนี่มันเป็นมูลใช่ไหมถ้าถ้าเราโลภเราโกรธเราหลงก็คือเราจะใจแล้วก็เราไม่ไม่เป็นกุศลหรือว่าอาจจะไม่ใจไม่ดีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเขาก็พยายามจะอธิบายนอสภาวะภายในจิตใจของเราหรือก็บอกว่า ทำใดก็ตามที่มีกุศลเป็นมูลทำนั้นก็จะเป็นกุศลด้วยเนี่ยในในในแปลคำแปลออกมาเนี่ยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็อธิบายสภาวะจิตนะพูดถึงอภิธรรมเนี่ยมันจะมีสี่ส่วนนะที่เขาเรียนกันนะจิตเจตสิกรูปนิพพานสี่อันเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีอยู่เพราะนั้นคาอธิบายในอภิธรรมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอธิบายส อ, อย่างนี้ เพียงแต่ว่าภาษาที่ใช้มันงงๆอ่ะนะสุดท้ายกัมพีสุดท้ายกัม พ, พีที่เจ็พระมหาปฐฐานในนี้คือจากทาจากอายตนะจากบุคคลทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีเหตุปัจจัยมันมีเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยนั้นมีหลายอย่างเช่นอารมณ์บ้างนะมี เครื่องหนุนต่างๆบ้างนะที่ทำให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาอย่างกรณีของเราจะเห็นได้ง่ายๆน่เมื่อตาเห็นรูปเกิดการกระทบกันถ้ากระทบกันแล้วถ้าไม่มีวิญญาณเนี่ยนะมันเหมือนเรามองไปลอยๆมันยังไม่รับรู้อ่ะแต่ถ้าตาเห็นรูปมีวิญญาณประกอบนะมันก็จะเกิดเป็นรูปขึ้นมา อันนี้เป็นเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นเพราะนัะ้นในอภิธรรมเนี่ยเขาอธิบายเรื่องราวของกายและใจเรานั่นเองเพียงแต่ว่ารายละเอียดมันจะมีมากเนาะสุดท้ายเนี่ยามาถึงบางสกุลตายเนี่ยตรงนี้ตรงนี้น่าสนใจนสุดท้ายก็คือสิ่งต่างๆทั้งหลายเนี่ยมันไม่เที่ยงมันแปลปวนเปลี่ยนแปลงไป มีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเข้าถึงความสงบระงับของความคิดปรุงแต่งก็คือเราวางความคิดปรุงแต่งได้อย่างเวลาเราจเจริญสติเนี่ยมันมีความคิดขึ้นมาเราทิ้งไปแล้วกลับมารู้สึกตัวเนี่ยนั่นะความเป็นปกติมันแสดงออกมาซึ่งเป็นความสงบที่มีอยู่แล้วเพราะนั้น อัตมาดูแล้วเนี่ยนะคนโบราณเนี่ยเขาฉลาดมากเลยนะที่เราสวดอภิธรรมแล้วก็มีบังสกุลคนตายจริงๆเนี่ยเขาสวดให้คนเป็นนะเขาไม่ได้สวดให้คนตายหรอกถ้าเราแปลความหมายออกมาเรียนลูกมาโอ้มันทะลุเข้าไปในตัวเราเลยนะมันย้อนกลับมาดูที่ตัวเราเลยนะมันไม่ใช่สวดให้คนคนตายหรอกส่วนใหญ่เราก็เข้าใจว่าสวดอภิธรรมเพื่ออุที่ส่วนกุศลให้คนตายใช่ไหม แต่ก่อนตมาก็เข้าใจอย่างนั้นแหละนะแต่ตรงนี้มันกลับมาดูที่ตัวเราเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องของอภิธรรมเนี่ยนะเป็นเรื่องที่โอ้โหสลับซับซ้อนมากอาจารย์พุทธะเคยพูดว่าอภิธรรมเนี่ยเป็นเรื่องสำหรับคนที่มีมีปัญญามากอะ่ะและ้วมีมีปัญญาเหลือเฟือที่จะไปเรียนแล้วถ้าเราไปดูเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ย อภิธรรมเนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตนะตัวอาจารย์พุท ธ, ธาธเองพญานาปโปนิกะมาเทระที่ศรีลังกาก็ตั้งข้อสังเกตนะว่าเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นทีหลังพระพุทธเจ้านั้นพูดไปนิดหนึ่งแต่มีพระโมกขลีนะพระโมคขลีนะบุตรสมัยพระเจ้าอาโศกได้มาเรียบเรียงเอาธรรมะเนี่ยมาจัดเรียบเรียงแล้วขยายความให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ได้ถึงเจ็ดหัวข้อเลยเรียกว่าอภิธรรมเจ็ดคำพิมพ์ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจแล้วเขาก็อ้างด้วยนะว่าพระอภิธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นไปโปรโดพุทธมารดานะจำไม่ได้ว่าพรรษาที่เก้าหรือไงเนี่ยนะใช้เวลาช่วงเข้ารรษาเนี่ยนะเหาะขึ้นไปแล้วไปโปรโดพุทธมารดาซึ่งเป็นตอนนั้นเป็นเทพบุตร อยู่ชั้นจำไม่ได้ว่าชั้นดูสิทธิ์หรืชันอะไรแล้วพอออกพรรษาเนี่ยก็เสด็จลงมาจากชั้นชั้นดาวดึงกันนะเสด็จลงมาเนี่ยแล้วก็โลกทั้งสามเปิดขึ้นหมดเลยโลกสวรรค์โลกนระกโลกมนุษย์นี่เปิดเลยแล้วที่เรามีาเทศกาลตักบาตรเทโวนะก็คือวันนี้แหละทีนี้มันมีหลักฐานไหมว่าพระเจ้าเสด็จลงมา เขาบอกที่เมืองสังกษตสมีการบันทึกเอาไว้แต่ว่าก็ไม่มีหลักฐานอย่างอื่นนอกจากสมัยพระเจ้าโศกเนี่ยได้ได้ทำจารึกเอาไว้ว่าพระเจ้าเจ้าได้เสด็จลงมาที่ตรงนี้ที่เมืองสังกษตสัตนะแต่ว่าความเป็นจริงเป็นยังไงนี่เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความเชื่อเนาะอาตมาก็ได้มีโอกาสไปอ่านหนังสือของอาจารย์พุทธทาสเรื่องอภิธรรมคืออะไรท่านก็ตั้งข้อสังเกตว่า อันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาภายหลังหลังจากพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วประมาณ200้อยถึงสามอปีนะโดยพระเถระรุ่นหลังๆแต่ก็เป็นการรวบรวมเอาธรรมะที่เป็นเรื่องลึกๆเรื่องจิตเรื่องใจนี่แหละนะมาเขียนเป็นหมวดหมู่นะซึ่งคนที่จะเรียนเรื่องนี้ได้นี่ต้องเป็นประเภทว่าต้องมีปัญญามากหน่อยนะถ้ามีปัญญาน้อยนี่ก็ปวดหัวอันนี้แต่มาพูดแบบย่อๆนะาตมาเองก็ ที่มาพูดนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าเอ้มันใช่ไหมแต่ น, นี้ก็เพียงแต่ว่ามีความเข้าใจนะว่าเออมันน่าจะกลับมาที่กายที่ใจเรานี่แหละนะคงไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวนักนะและสุดท้ายเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมั น, ม, นมันตามเหตุตามปัจจัยนะแต่ท่านจาบุตรท่านก็ได้ไ ด, ได้ได้พูดว่าจริงๆอภิธรรมเนี่ยมันมีอยู่ในพระสูตรอยู่แล้วแล้วสังเกตไหมมันมีเฉพาะธรรมะกับวินัยไม่มี ธรรมะวินัยและพิธ ร, รม น, นี่ก็เป็นข้อสังเกตแต่อย่างไรก็ตามเนาะเราก็ถื อ, อประโยช น, น์ที่เราได้มาสาธยายมนได้สวดกันทุกวันทุกวั น, นเป็นภาษาบาลีและวันพระเราก็จะมีการแปลวันนั้นผอแปลออกมาแล้วเนี่ยให้ย้อนกลับไปที่กายที่ใจของเร า, าตรงนี้มันจะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาเรียกว่าได้บุญคือความสุข และได้กุศลคือความฉลาดเรียกว่าทําบุญทํากุศลไปพร้อมกันถ้าเราทําบุญคือได้ความสุขแต่ว่าเราสาธยายมนเราก็ไม่รู้เรื่องนะอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เกิดปัญญานะให้ได้ทั้งบุญและกุศลขึ้นมานะตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะกับการที่เราได้มาทำํำนะเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะแล้วก็ ถ้าเราได้มีโอกาสไปงานศพนะเราฟังพระท่านสวดเนี่ยเราจะได้เออย้อนกลับมาดูที่กายที่ใจเรานะใจเราดีเป็นกุศลใจเราไม่ดีเป็นอกุศลดิใจเราเฉยเฉยนะเออเนี่ยเราสังเกตนะการที่ใจมันจะเป็นกุศลหรือไม่เป็นกุศลมันก็ขึ้นอยู่กับมีธรรมะนะถ้าเราคิดดีเป็นกุศลคิดไม่ดีก็เป็น อกุศลหรือถ้าเราปกติใจมันว่างๆเฉยๆเออมันก็เป็นกลางๆใช่เพราะนั้นตรงเนี้ยตอบเป็นี้เราได้ยินัำว่ากุศลธรรมมากุศลธรรมมาปยากตาธรรมกลับมาดูตัวเองเลยดีไหมอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราทําอีกสิบวันเนี่ยกลับมาดูตัวเองเลยนะแล้วก็ดูกายดูใจดูความรู้สึกนึกคิดที่มันเกิดขึ้นเวทนาความสุขความทุกข์ ความเฉยๆนะสังขารคือความคิดปรุงแต่งนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมานะซึ่งตรงเนี้ย <c oughs> เราก็สามารถที่จะย้อนกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันขณะที่เราทำการทำงานขณะที่เราเดินจงกรมสร้างจังหวะเราก็ดูเหล่านี้เพราะนั้นการเรียนอนภะิธรรมเนี่ยนะคนนี้มาฝึกสติเนี่ยมันเรียนอยู่ทุกวันเลยนะอา่มาว่าเออมัน มันกลับมาดูที่ตัวเราเองเนาะแล้วก็เห็นในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็แปรปวนเปลี่ยนแปลงไปเหมือนตอนเนี้ยอากาศมันหนาวขึ้นใช่ไหมอุณหภูมิมันลดลงนะเดี๋ยวพอตอนกลางวันอ่ะมันร้อนอีกแล้วเนี่ยเนี่ยอากาศมันก็แปรปวนอย่างเงี้ยอารมณ์เราก็เหมือนกันนะมันไม่คงที่มันมีความแปรปวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้น สิ่งที่จะทําให้เราได้เห็นความจริงตรงนี้ได้เนี่ยก็คือตัวสตินั่นเองนะตัวความรู้สึกตัวนั่นเองนะที่เราฝึกกันเนี่ยเพราะฉะนั้นการเรียนในภิธรรมที่แท้จริงกลับไปดูที่กายที่ใจเนี่ยต้องอาศัยสติสัมปชัญญะนะและเมื่อเราได้สาธยายมลได้กลับมาดูตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เรามีความศรัทธามากขึ้นแล้วก็ทําให้เราเออ ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นนะนอกจากเราจะสวดไปอย่างนั้นเองนะตามพิธีรีตองนะหรือตามที่เขาทำทำกันมาแต่เราไม่รู้ความหมายว่าเอ๊ะทาไปทาไมนะมันมีประโยชน์อะไรนะเราทำให้คนตายหรอก็ดีนะทำให้คนตายก็ดีแต่คนเป็นก็น่าจะได้ประโยชน์ด้วยใช่นอกจากจะได้ความสุขเออได้ปัญญาขึ้นมาและปัญญาเนี้ยเราก็เอามาพิจารณา ตัวเราเองนะซึ่งตรงนี้จะทำให้เราสามารถที่จะออกจากความทุกข์ได้นะออกจากความแปรปวนเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยเออใจเราก็โปร่งโล่งเบาสบายเป็นอิสระใช่หมเรียกว่าเป็นความสงบเช็นสันติสุขนะที่เกิดขึ้นภายในจิตในใจของเราเนาะวันนี้ก็เป็นเป็นการนำเสนอนะ อาจจะถูกอาจจะผิดนี่ก็ขอให้ผู้มีปัญญาผู้รู้เนี่ยได้บอกด้วยกันละกันถ้าพูดไปผิดเนาะช่วยช่วยบอกด้วยบางทีธรรมาพูดไปก็ จ, จะผิดพลาดได้ก็ก็ขอความเมตตานะจากท่านผู้รู้นะที่มีอะไรที่จะแนะนำเพิ่มเติมนะก็ถือว่าเราได้มาเรียนรู้สิ่งที่เราไม่ได้รู้นะแล้วก็ได้เพิ่มเติมทตนะาไม่เกิดปัญญาขึ้น ทําให้การมาทํากิจกรรมตรงนี้ได้มีประโยชน์มีคุณค่ามากขึ้นอย่าง น, น้อยก็ได้กลับมารู้เนื้อรู้ตัวมาดูกายดูใจของเร า, าตามหลักสติปัฏฐานสี่นั่นแหละที่เราฝึกกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเนาะซึ่งอันเนี้ยธรรมยว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องสาคัญนะมาอยู่วัดป่าสุขโตเนี่ยเรื่องเนี้ยตัวธารมาเองนะถือวอันดับหนึ่งเรื่องอื่นนี้ลองลงไปนะ แต่นีไม่ใช่ว่าทําแต่เนี้ยเดียวนะไม่ทําอันอื่นนะก็ทําเหมือนกันแต่ว่าขออัเนี้ยเป็นอันดับแรกก่อนวัดป่าสุโกโตเนี่ยจะมาเชื่อว่าอยู่ได้ด้วยกรรมฐานไม่ใช่อยู่ได้เรื่องเรื่องอื่นนะถ้ากรรมฐานไม่มีหลวงพ่อเขียนเคยพูดไว้แล้วว่ามันจะล้างไปเลยนะกิจกรรมอื่นๆเนี่ยในความคิดอาตมาเองนะคนอื่นอาจจะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ตรงกันก็ได้ถือว่าเป็นกิจกรรมลอง นะเพราะคนสร้างวัดนี้คือหลวงพ่อบุญธรรมที่มาสร้างวัดนี้เพราะว่าท่านต้องการที่สงบสำหรับการปฏิบัติแล้วก็ชาวบ้านแถวเนี้ยก็ชวนกันมาทำบุญตอนหลังหลวงพ่อเกียณก็มาร่วมด้วยแล้วก็สารต่องานหลวงพ่อบุญธรรมทีนี้หลวงพ่อบุญธรรมยังอยู่แต่ว่าท่านไปอยู่วัดหนองแกแต่หลวงพ่อเกียณท่านเสียไปละเพราะนั้นเราคนรุ่นหลังเนี่ย เราก็น่าจะได้สารต่อเรื่องนี้เรื่องอื่นเนี่ยขอให้เป็นรองนะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเธอนะแล้วคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์คนที่มาเนี่ยเขาจะได้รับประโยชน์แตนะ่เพราะว่าเดี๋ยวนี้โรคมันร้อนนะ่ะสังคมมันวุ่นวายมากเลยเข้ามาวัดป่าสุขโตเนี่ยเออเย็นสบายสิ่งแวดล้อมมันเอื้อกับเรื่องพวกนี้เต็มที่เลยนะถ้าเราโวาไปทาเรื่องอื่นซะมันก็จะเสียเวลานะ แตนะ่ชีวิตเราเนี่ยมันไม่นานหรอกนะเหมือนอะไรน้ำค้างบนยอดหญ้านะมันจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้และไอตอนที่ที่มันจะตายเนี่ยเราพร้อมมียังนะเรื่องนี้แต่มาก็ยังยังกลับมาดูตัวเองว่าเฮ้ยเรายังไม่พร้อมนะเราต้องฝึกของเราต่อไปนะนะทำยังไงที่หลวงพ่อเขียนนั้นแสดงให้ดูแล้วอะนะไปแบบส ง, งบเลยอะ เราทำได้ไหรือเปล่างั้นน่ะเราจะรอให้ถึงเวลานั้นเนี่ยมันไม่ทันหรอกต้องฝึกไว้ก่อนปล่อยวางไว้ก่อนเพราะฉะนั้นการที่เราฝึกเนี่ยก็คือฝึกปล่อยฝึกวางใช่ไหมฝึกปล่อยฝึกวางเป็เรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยให้มันเป็นนิสัยเพราะถึงเวลานั้นมันจะได้เออข้อสอบมาเนี่ยจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยอจาจารย์เบสารเคยพูดว่าข้อสอบสุดท้ายคือความตายเนี่ยนะมันไม่มีโอกาสแก้ตัวนะอย่างเราเจ็บป่วยเนี่ยยังแก้ตัวได้ใช่ไหม ตอนเจ็บป่วยนี่เราทรมานเราทําใจได้หรือทําใจไม่ได้ถ้าหายก็โอเคแต่ตายเนี่ยไม่มีทางลไม่มีทางแก้ตัวเพราะฉะนั้นอย่าหนงนอนใจเนาะการฝึกฝนอบรมจิตใจตัวเองนะซึ่งรูปแบบก็มีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราจะทํากันหรือไม่ทำนะและจุดสําคัญที่สุดก็คือทําให้ต่อเนื่องในรูปแบบนอกรูปแบบ คนใหม่ๆเนี่ยทํารูปแบบเยอะๆอย่าไปาไปเห็นว่าไม่สําคัญนะรูปแบบไม่สาคัญหลวงป่อเทียนเนี่ยท่านเข้าใจธรรมะทำในรูปแบบหลวงม่อเขียนก็ทําในรูปแบบหลายคนบอกว่าไม่ต้องทําก็ได้ไปทํางานปฏิบัติธรรมคือการทํางานไอ้นั่นอ่ะแสดงว่าเขามีสติดีแล้ว คนใหม่ๆเนี่ยอย่าไปพึ่งไปยุ่งตรงนั้นมากนะถ้าไปยุ่งตรงนั้นมากนะมันจะเพลินไปกับ ง, งานเลยนะแต่คนเก่าๆเนี่ยเขาเรียกว่าเก่าแล้วนะสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้แล้วอันนั้นก็โอเคแต่คนใหม่ๆนี่อย่าพิ่งไปยุ่งมากแต่ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณมาอยู่วัดป่าสุขโขทโธคุณจะไม่ช่วยงานนะก็ช่วยบ้างนะเล็กๆน้อยๆตามกําลังเรา เวลาที่เหลือก็ปฏิบัติในรูปแบบเยอะๆนะอย่าไปหลับไปนอนจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังวันนี้มีอยู่สองคนนะมาใหม่มาได้สองวันแล้วละแต่มาก็แนะโอ้โหวันนั้นตอนก็คืนวันนั้นเนี่ยแตมาแนะจนหมดแรงเลยนะเพลียเลยกลับไปอ่ะบอกว่าเนี่ยนะตั้งใจนะปฏิบัตินะกลางวันไม่นอนนะเมื่อวาน แอบไปนอนตอนบ่ายบอกวันนี้จะนอนนะวันนี้ไปนอนอีกตอนเช้าเฮ้ยแตมาไปดูหายไปไหนวนะเนี่ยก็โทรหาโยมนานกะ็ อ, อยู่ห้องไหนอ๋ออยู่ห้องนี้ไปิดประตูป๊อกป๊อกป๊อกสิบโมงแล้วนะกินข้าวเสร็จสิบโมงแล้วนะเปิดประตูมาโอ้โหผมเเพ้าในลุงลังเลยมาบอกมาทําอะไรเนี่ยบอกมาปฏิบัติแก้บนว่ะ เออแล้วมันมนอนเหรอจะปฏิบัติแก้บนได้เหรอเ น, นี่ยก็เลยบอกว่าจะอยู่เลยนะไปเถอะกลับไปเถอะ <c oughs> ก็เลยกลับไปละมาเงี่ยเสียดายเสียดายนะตั้งใจมาปฏิบัติแต่ว่ามันโดนในความง่วงอะ่ะมันมันล่าเข้าห้องนอนอะ่ะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เสียดายเสียดายนะก็เลยบอกว่ากลับไปเถอะนะให้โอกาสกันลนะสองวันยังไม่สามารถที่จะผ่านได้ นะครตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้สถานที่ในใเกิดประโยชน์เนาะก็อันนี้ก็เป็นการเล่าสู่กันฟังแล้วก็นําเสนอสิ่งที่พยายามไปค้นคว้ามาอย่างที่พระอาจารย์สุรินพูดเมื่อวานเนี่ยาการที่ให้โอกาสได้พูดคุยเออแล้วได้ค้นคว้าเพิ่มเติมในสิ่งที่เราไม่รู้เมื่อได้มาแล้วก็มาแบ่งปันแชร์กันเนาะจะถูกจะผิดยังไงก็ขอให้ท่านผู้รู้เนี่ย ได้ช่วยแนะนําตักเตือนด้วยกันละกันเนาะอ่ะคิดว่าวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรเก็เวลานะในท้ายที่สุดนี้ก็ขออ้างอิงเอาคุณของพระศีรัตรนตรนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคือสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือสัจธรรมความจริงที่แสดงปรากฏนะอยู่ในกายในใจแล้วก็ สิ่งแวดล้อมภายนอกประสงค์ก็คือการประพฤติปฏิบัติของแต่ละคนนด้วยความศรัทธานาด้วยความเพียรด้วยสติสมาธิและปัญญาและก็ขอให้สิ่งเหล่านี้นเป็นพระวะปัจจัยหนุนนำให้ทุกท่า น, นาได้เข้าถึงความสิ้นทุกข์นในปัจจุบันนี้ชาตินี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร